สามสิบห้าอปที่สนามบินณออโรรอมณออโรดรมที่ฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะ บีสักลด่ารเซรวิราม1ลิน่าบีะ่เอามิน่านี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะดัลีเรกตัวดิรกตันลิทขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สู่บุหรี่คะ่ะ едно место до прозорецот, непушач. Вемула. Едно место до прозорецот, непушач. Ти ја чант, кој ја јанган ј а н ка. Бисакал, да ја потврдам мојата резервација. Бисакала, да ја потврдам мојата резервација. Ти ја чант, кој ја љоклеќан ј а н ка. Бисакал. ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะเที่ยวบินไปโรม เที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะค o g ้าอดีสเลดนาต m a c i n e zarim คอดีา m a c i n a zarim ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะดัล i ี่มีมาอุ่นสเต๊ะสองสโลบุดนิเมสต้าดัลลี่มีมาบมตไม่ เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะเนี่ยมีมามีซ้ำอุ่นสต์อีดโนสโลบอตเเราจะไปถึงเมื่อไหรค่คะะเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหรค่คะ คุกับคิสมตามุคุกับคิสมตามุรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไรคะคุยกับอีมาอัตบัสโดเซนเตอรตนากราดต์คุกับอีมาอัฟตบัสโดเซนตรตนากราดตนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะโอวาเอวาชิอตคเฟร อุวานี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะออวาชิตาตานเวาชิตาาชนาี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอุวาเ ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะคุลคูบากาชมูจัดมดาซมมสมสุบยี่สิบกิโลกรมัมกิโลกรมัมดกิโลกรมัมอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะ